คำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิคำจำกัดความที่พบบ่อยที่สุดคือความรู้ในอริยสัจสี่ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรความรู้ในทุกความรู้ในทุกขะสมุ ท, ทยัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคำจำกัดความนอกจากนี้ได้แก่รู้อกุศลและอกุศลลมูลกับกุศลและกุศลละมู ล, ล, ล, มลเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลอกุศลลมูลกุศลและกุศลละมูลด้วยเหตุเพียงนี้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 คำจำกัดความในแง่การเห็นไตรลักษณ์ภิกษุเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมไนเมื่อสิ้นเพลินก็สิ้นการย่อมติดเพราะสิ้นการย่อมติดก็สิ้นเพลินเพราะสิ้นเพลินและยอมติด จิตจึงหลุดพน้นเรียกว่าพ้นเด็ดขาดแล้วภิกษุเห็นจักสุโศตะานะชิวหากายะมโนรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะธรรมารมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฐิ คำจำกัดความในแง่ของการเห็นปฏิจจสมุปบาทคำจำกัดความแบบนี้เป็นแบบที่มีมากแบบหนึ่งและไม่จําเป็นต้องนําพุทธพจน์มาอ้างเราเคยอ้างถึงมาแล้วพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งแยกความหมายของสมาธิิเป็นสองระดับคือระดับที่เป็นสาสวะกับระดับโลกุตระ ภิกษุทั้งหลายสั ม, มาธิฏิเป็นชนเรากล่าวว่าสัมมาธิฏฐิมีสองอย่างคือสัมมาทิติที่ยังมีอาสวะซึ่งเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์อย่างหนึ่งกับสัมมาธิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระละเป็นองค์มัคอย่างหนึ่ง สัมมาทิฏฐิที่ทยังมีอาสวะจัดอยู่ในฝ่ายบุญอนันนวยวิบากแก่ขันเป็นชนคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบันเพ็นทานมีผลการบูชามีผลการมที่ทำไว้ดีและชั่วมีผลมีวิบากโลกนี้มีปรทโลกมีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปปปาติกะมี สนันนาพราหผู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้และประโลกให้จมแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองมีอยู่นี้แหลสัมมาธิฐิที่ยังมีอาสวะเป็นฝ่ายบุญอันวยวิบากแก่ขันสัมมาธิฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นฉไน คือองค์มรรคข้อสมาธิ ท, ที่เป็นตัวปัญญาปัญญิสีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสมโพชงของผู้มีจิตเป็นอริยะมีใจไร้อาส ว, วะมีอริยามรรคเป็นสมางคีผู้กำลังเจริญอริยมามรรคอยู่นี้แหละสมาธิ ท, ที่เป็นอริยไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรค